ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทำและทัศนาชีวิตผมวรสินอินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังที่กาลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่เวลานี้ก็คือเรื่องคุณของพระรัตนใจนะครับมาถึงเรื่องคุณของพระสงฆ์เมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องผู้ชุบ ป, ปฏิปันโนกับยายาปฏิปันโน พระควัตโศสาวะกะสังโฆพระสงค์สาวกของพระภูมิรภราพเป็นผู้ปฏิบัติตรงและเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อนิพพานทีนี้ก็มาถึงข้อที่สี่คือสามีจิตปฏิปันโนนะครับปฏิบัติสมควรตระหนักถึงความควรอันนี้สำคัญนะครับสามีจิ ปฏิปันโนปฏิบัติสมควรควรแก่ความเคารพนับถือควรที่จะได้รับการยกย่องปฏิปัติเหมาะสมอันนี้ก็ความดีความชั่วความถูกความผิดแล้วก็ความควรอันนี้ลองแยกดูนะความดีความชั่วความถูกความผิดความควรความดี อ, อะไรความชั่วคืออะไรความดีสิ่งที่มีประโยชน์สิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนและผู้อื่นแล้วก็มีประโยชน์ความชั่วก็คือสิ่งที่เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนและผู้อื่นแล้วก็ไม่มีประโยชน์แล้วต้องเที่ยประโยชน์เป็นศูนย์กลางนะครับหรือว่าบางทีมันก็เป็นความสุขด้วยกันสบายโดยกันแต่มันไม่มีประโยชน์หรือมีโทษ ดังนั้นก็ไม่ใช่ความดีฉันเชื่อว่าชวนกันไปกินเหล้าก็สนุกสนานตื่นเตินก็มีความสุขด้วยกันกับเพื่อนกับูงแต่มันไม่มีประโยชน์ะท่านจึงเห็นว่าท่านเห็นว่าอันนี้ไม่ใช่ความดีแม้จะเป็นความสุขแต่บางอย่างมันเป็นความทุกข์จะมีประโยชน์มันก็เป็นความดีเฉันว่าเรายอมทนทุกข์ ทรมานเพื่อการทำความดีบางอย่างให้บรรลุไปให้สำเร็จรู้ล่วงไปยอมทนทุกข์ทรมานเพื่ อ, เ, อเก็บเงิน เ, เก็บทองส่งลูกให้ได้ศึกษา เ, าเรียนทำงานหนักเอาเบาสู้กำแดดกำฝนเหน็ดเหนื่อยเท่าไหร่ก็ยอมมันก็เป็นทุกข์ครับไม่ใช่เป็นสุขก็เป็นทุกข์แต่ว่ามันมีประโยชน์อย่างนี้เป็นความดี เพราะฉะนั้นท่านต้องเอาประโยชน์นี่แหละเป็นตัวกลางเป็นจุดสุ์กลางความชั่วก็เหมือนกันความชั่วนั้นไม่มีประโยชน์ถึงจะให้ความสุขบ้างให้ความพอใจบ้างแต่มันไม่มีประโยชน์มันเป็นไปเพื่อโทษก็ก็มีทุกข์ตามมาในภายหลังอันนี้ก็เป็นความชั่วที่จริงในทางจริยศาสตร์ท่านไม่ได้ให้ definition เอาไว้ท่านเป็นในเพียงว่าดีก็คือดี เพราะว่าถ้าถ้าให้ .definition ให้ความหมายมันก็จะเป็น .definition คณิตมันเป็นข้อบอกพร่องทางคำนิยามคือถึงจะนิยามสักเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถจะให้สมบูรณ์ได้จะไม่สมบูรณ์มันต้องมีช่องโหว่ต้องมีช่องโหว่จนได้เพราะงั้นท่านก็ตีผางลงไปเลยความดีก็คือความดีทีนี้มันเป็นคำพันทุกดินก็ มันก็ถามว่าสีเหลืองคืออะไรสีเหลืองคืออะไรถ้าเราจะตอบแบบอธิบายมันต้องตอบแบบปฏิเสธไม่ใช่สีขาวไม่ใช่สีดาไม่ใช่สีแดงไม่ใช่สีเทาไม่ใช่สีม่วงไม่ใช่สีเขียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมดเลยที่เหลืออยู่นั่นแหละคือสีเหลืองมันก็ยากที่จะเข้าใจก็เลยชูวัตถุที่เป็นสีเหลืองให้เขาดูซะเลย เอาผ้าสีเหลืองสักผืนหนึ่งมาโชว์ให้เขาดูนี่ไงสีเหลืองดูสิอ่าหมดสงสัยเลยสําหรับคนตาดีหมดสงสัยเลยนี่คือสีเหลืองอ่าเข้าใจอ่าเปรี้วเป็นยังไงเปี้วเปี้ยวเหมือนมะนาวนี้เป็นยังไงเอามะนาวให้กินซะเลยั่นน่ะนะรู้เรื่องเลยหวานเหมือนน้ําอ้อยเป็นยังไงหวานเหมือนน้าอ้อยเป็นยังไงหวานแบบน้ําอ้อยเป็นยังไง ความอมอ้อยให้กินอ๋อเป็นอย่างนี้เองอไม่ต้องให้คําจํากัดความแล้วรู้เองรู้เองนี่แหละท่านยังบอกว่าความดีความชั่วให้คําจํากัดความยากเพราะว่ามันมีเงื่อนไขมันมีเงื่อนไข อ, อให้ไม่สามารถจะให้คําจํากัดความให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้เพราะความที่มันมีเงื่อนไขสมมติเรามีคนคนหนึ่ง เขาดีกับคุณเหลือเกินคุณก็บอกว่าเขาเป็นคนดีแต่ทีนี้แต่เขาชั่วกับคนอื่นพอเวลากับคนอื่นเขาก็ไม่ได้ดีอย่างที่เขาดีกับคุณแล้วถามถามว่าคนนั้นเป็นคนดีหรือคนชั่วแต่มันเงื่อนไขมันเข้ามาเห็นไหมคุณเห็นว่าคุณตอบว่าคนนั้นเป็นคนดีเพราะเข า, าดีกับคุณ แต่ลองไปถามอีกคนหนึ่งสิถามอีกคนหนึ่งที่เขาไปทำความชั่วไว้ด้วยน่ะคนนั้นเขาพูดเหมือนคุณไหมเขายอมรับไหมว่าคนนั้นเป็นคนดีนี่แหละนี่แหละให้ความเป็นรีเลติบให้ความเป็นรีเลตีบความสัมพัสของความดีความชั่วมันมีเงื่อนไขในความที่มันมีเงื่อนไขนั่นแหละจึงให้คําจํากัดความยากความถูกความผิดก็เหมือนกัน ตัดสินยากอ่ะไม่รู้ว่าอะไรถูกไม่รู้ว่าอะไรผิดคนหนึ่งว่าถูกคนนึงว่าผิดมันไม่สมบูรณ์ไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ได้ถูกเหมือนกันว่าอะไรถูกอะไรผิดทีนี้ถ้ามองจากวิชาจริยศาสตร์ท่านก็บอกว่าถูกนั่นคือถูกตามกฎถูกตามกฎผิดก็คือผิดกฎมันไม่ใช่ถูกโดยประกันทั้งปวง ก็ที่ไหนเขาวางกฎเอาไว้อย่างไรถ้าทำถูกกฎอย่างนั้นมันก็ถูกของที่นั้นแต่ที่อื่นเขาไม่ได้มีกฎอย่างนั้นนี่เขามีกฎอย่างอื่นก็ต้องทำอย่างอื่นบางประเทศก็วิ่งรถขับรถซ้ายพวงมลาลัยอยู่ขวาบางประเทศก็ขับรถขวาพวงมลาลัยอยู่ซ้ายแล้วอย่างไหนถูกอย่างไหนผิดอะ่ะมันแล้วแต่ว่าคุณจะขับประเทศไหน คุณจะขับรถอยู่ประเทศไหนคุณก็ต้องขับตามประเทศนั้นถ้ผิดหรือถูกของประเทศนั้นน่ะจะจะมาขับอีกประเทศหนึ่งไม่ได้นี่มันกดมันคนหละอยา่างก็ถูกก็คือถูกตามกฎแต่ไม่ได้หมายความว่าถูกจริงๆนมันเพียงเนื้อถูกตามกฎทีนี้ถ้าเพื่อกฎมันผิดอ่ะกฎมันผิดตะเองอ่ะกฎมันผิดตะเองอ่ะคุณทำถูกกฎเรียกว่าคุณทำถูกตามกฎ แต่ที่จริงแล้วคุณทำผิดเพราะอะไรเพราะว่ากฎมันผิดเพราะฉะนั้นกฎหมายถึงแก้กันแล้วแก้กันอีกไม่ยุตดดิลงได้รัฐบาลใหม่ก็แก้กฎหมายใหม่กฎหมายนี้ยังไม่ดียังไม่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์แก้ไม่อันนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์แก้ไม่ความผิดความถูกคราวนี้อ่ะคราวนี้สาคัญตรงความควรนี่เลยความควร เราไม่สามารถจะตัดสินได้ว่าอันนี้ดีอันนี้ชั่ว น, นี้ถูกอันนี้ผิดเราไม่สามารถจะตัดสินได้เราต้องเอาความควรเข้ามาออตเนสออตเนสความควรเอาเข้ามาแล้วเราจะได้คําตอบที่ดีควรไหมละ่ะไม่รู้ว่าดีหรือชั่วเราก็ตอบไม่ได้ไม่รู้บางคนว่าดีบางคนว่าชั่ว บางคนว่าถูกบางคนว่าผิดทีนี้มันควรไหมล่ะทีนี้ถ้าเอาความควรเข้ามานี่มันจะช่วยได้เยอะสมมติว่าพระภิกษุสามนเณรดูหนังเนี่ยดูภาพยนตร์เนี่ยสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยภาพยนตร์ยังไม่มีอ่อ่านหนังสือพิมพ์โป้ไงอ่านหนังสือพิมพ์ใน ห, ห, น, ห น, นังสือพิมพ์มามีภาพโป้เยอะเลยเต็มไปหมดถามว่าผิดที่ไหนข้อไหนอ่านหนังสือพิมพ์ ดีหรือชั่วดีได้ความรู้อ่บางองค์ว่าตอบว่าดีได้ความรู้บางคนบอกไม่ดีบางคนว่าถูกบางคนว่าผิดแ ล, แล้วพอถามว่าเอาละยกเว้นดีชั่วถูกผิดไม่ต้องพูดกันถามว่าควรไหมละ่ะก็พระพุทธเจ้าท่านประทานมาประเทศไว้ให้แล้วนี่มหาประเทศเสียใครสำหรับตัดสินว่าควรหรือไม่ควร สิ่งใดไม่ได้ทรงบัญญัติไว้ว่าควรหรือไม่ควรแต่สิ่งนั้นมันเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นก็ไม่ควรมันเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรแล้วก็ขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นก็ไม่ควรตอนนี้กำลังผมกํกำลังพูดถึงคุณของพระสงฆ์อยู่นะครับสามีจีปฏิปันโนปฏิบัติสมควรแล้วก็ตัวอย่างที่ยกขึ้นมาเลยคือว่าพระดูพระปรย์ หลวงพดูหนังทีวีเนี่ยหรือว่าดูอ่านหนังสือพิมพ์ซึ่งมีภาพโป้แผ่วไปหมดเลยในหนังสือพิมพ์ควรไหมนึกตอบเอาเองก็แล้วกันชาวบ้านช่วยกันตอบพระสงฆ์ก็ตอบด้วยช่วยกันตอบควรไหมถ้าตอบว่าควรก็รทํามใจถ้าตอบว่าไม่ควรก็รทํามใจเทปเพลงควรไหม ควฟังหรือไม่คนฟังอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นคนที่มีสติสัมปชัญญะมีฮิเดียวตัปปะน้อยเขาก็เลือกเลือกส่วนที่เป็นบ่อกเกิดของกุศลแล้วก็ทําลายอากุศลไม่ใช่ส่วนที่จเจริญไม่ใช่ส่วนที่จเจริญอกุศลแล้วทําลายกุศลว่าคนที่มีสติปัญญามีสติสัมปชัญญะ มีหิริอุตตปะเขาก็เลือกดูเอาอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสกับเท่าสักกะมหาบพิษสิ่งในโลกนี้มีสิ่งที่ควรดูบ้างไม่ควรดูบ้างควรฟังบ้างไม่ควรฟังบ้างอย่างไรควรฟังอย่างไรไม่ควรฟังพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดที่ดูแล้วทําให้เกิดอกุศลก็อย่าดูสิ่งใดที่ดูแล้วทําให้เกิดกุศลก็ดู เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพระเจ้าค่ะสิ่งที่คนฟังก็เหมือนกันสิ่งใดที่ฟังแล้วทําให้เกิดกุศลก็ควรฟังทําให้เกิดอกุศลก็ไม่ควรฟังถูกแล้วมหาบาพิษอย่างนั้นแหละนี่พระพุทธเจ้าคุยกับาสนทนากับเท้าสักกะสักกาปัญหาสตรในสักกะปัญหา ส, ส, กกาสุมีของดีเยอะในนั้นอันนี้สามีจิปฏิปันโนปฏิบัติสมควรอ่าก็ลองลองพิจารณาดูนะครับ <c oughs> ทีนี้ผมพูดสังฆ ค, คุณมานี่ก็เป็นเหตุเป็นส่วนเหตุเห็นส่วนเหตุนี่สี่ข้อสี่ข้อทีนี้ในบทสังฆ ค, คุณนั่นท่านก็ตั้งปัญหาว่านี่คือใครเล่าจบสี่ข้อนี้แล้วสุปฏิปันโนชุปฏิปันโนญยายายปฏิปันโนสามีจีปฏิปันโนยาดีดังนี่คือใครเล่า พรจัตตาริปุริสยุคานิได้แก่บุคคลสี่คู่อัตตาปุริสปุกกลาแปดจำพวกก็คือว่าท่านผู้ดำรงอยู่ในโซดาปฏิมักดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลนิคู่หนึ่งดำรงอยู่ในสกัตตาคามิมักสกัตตาคามิผลนิคู่หนึ่งอนาคามิมักอนาคามิผลนิคู่หนึ่งอาณัตมักอาณัตพนนิคู่หนึ่งเป็นสี่คู่ ในถ้าแยกออกมาเป็นบุคคลก็เป็นแปดจำพวกเป็นจำพวกก็เป็นแปดจำพวกแล้วก็เอสสะพ่อเกวะโตสาวกสังโคนี่แหละคือพระสงฆ์สาวกของพระภู้มีพระภาคนี่แหละคือพระสงฆ์สาวกของพระภู้มีพระภาคสี่ข้าวแปดจำพวกนี่แหละเพราะฉะนั้นพูดไว้แต่ต้นว่าถ้ายังไม่ถึงขั้นนี้ก็ยังไม่เป็นหนึ่งในพระรัตนใจเป็นแต่เพียงสมมติสง ยังไม่เป็นหนึ่งในประ ท, า ท, าทินใจทีนี้ท่านที่มีคุณสมบัติสี่ประการนี้จึงได้รับอานิสงฆ์ห้าประการคืออาหุไนโยเป็นผู้ควรแก่การบูชาหรือของบูชาปาหุไนโยท่านเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับหรือของต้อนรับทักกินไนโยท่านเป็นผู้ควรแก่ของทำบุญ เป็นผู้ที่ผู้หวังบุญควรทําบุญด้วยทักกินาโยอัญชลิกะระนีโยอัญเชลิกะระนีโยท่านเป็นผู้ควรได้รับการยกมือไหว้ควรเคารพนบไหว้แล้วก็ข้อสุดท้ายอนุตตรังบุญญเขตตังโลกัสสาท่านเป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของชาวโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าสี่คู่แปดจําพวกนี้นะฮะ ที่ครูแปดจำพวกที่นี่มืวันอาทิตย์นี่มีท่านผู้หนึ่งถามว่าพระสงฆ์ที่ไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบไม่ปฏิบัติเพื่อนิพพานไม่ปฏิบัติสมควรยังจะเป็นอนุตรังบุญยเขตตังโลกะยะอยู่ไหมท่านเป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของชาวโลกอยู่ไหมก็เลยก็ตอบว่าก็ท่านไม่มีคุณสมบัติ ไม่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวข้างต้นท่านผู้ถามก็บอกอยู่แล้วว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติดีไม่ได้ปฏิบัติชอบไม่ได้ปฏิบัติจองไม่ได้ปฏิบัติเพื่อนิพานไม่ได้ปฏิบัติสมควรยังจะเป็นเนื้อนาบุญอยู่ได้อย่างไรก็ไม่เป็นก็เป็นเฉพาะท่านที่มีคุณสมบัติสี่ประการอย่างนี้แต่ถ้าให้เป็นอย่างนี้ท่านก็ไม่ควรจะเป็นผู้ไม่ควรแก่การบูชาหรือของบูชา จะไม่ควรแก่การต้อนรับไม่ควรแก่การยกมือไหว้ว่าไม่เป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของโลกก็ได้ตอบไปก็ได้ตอบไปอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ที่เป็นผู้มีคุณสมบัติแล้วว่าพยายามที่จะปฏิบัติดำเนินตามพระอริยสงฆ์ให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเช่นนั้นเดินตามรอยของพระอริยสงฆ์อยู่ แม้จะยังไม่เป็นอริยสงฆ์ก็สมควรจะได้รับการเขาสมควรจะได้รับของบุชาสมควรจะได้รับการต้อนรับสมควรแก่กองทำบุญถ้าท่านเป็นผู้ดำเนินรอยตามนี้อยู่แม้จะยังไม่เป็นแต่ถ้าว่ามันตรงกันข้ามามีภาวะขัดแย้งที่ตรงกันข้ามก็มีแต่รูปแบบก็ไม่เป็นดนี่การศึกษาคุณของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดคือการถ่ายแบบไม่ใช่เรียนรู้เฉยๆว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าผลที่จะได้จากการเรียนรู้จากการฟังจากการทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อการถ่ายแบบหรือว่าพุทธบริษัททุกคนมีสิทธิที่จะสู่ปฏิปันโนที่จะเป็นผู้ปฏิบัติดี แลก็อุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงยายาปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์สามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อสมควรทุกคนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งอุบาสกอุบาสิกามีสิทปฏิบัติอย่างนี้ได้เพราะว่าสวดพระสังฆคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก็พณพเพื่อถ่ายแบบรโอปัญญโกน้อมเข้ามาในตนให้ตนได้เป็นเช่นนั้นบ้า แล้วก็มีสิทธิ์ได้รับมีสิทธิ์ที่จะได้รับอานิสงส์ห้าประการดังกล่าวเหมือนกันเพราะฉะนั้นควรจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ถูกต้องให้ดีพอสมควรนะครับการนี้ผมพูดถึงคุณของประรัตนาใจที่นี้มาพูดถึงการถึงประรัตนาใจเช่นที่เรียกว่าสน่หคมที่เรียกว่าใจเสน่หคมนะครับการถึงประรัตนาใจก็คือ การยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกหรือเป็นผู้นําทางเป็นที่พึ่งเป็นที่รลึกหรือเป็นผู้นําทางเอที่ถูกวันนั้นก็คือว่าควรจะถือเอาพระรัตนตรัยเป็นผู้นําทางนั่นแหละครับเป็นไกายเป็นไกายหรือว่าเป็นประทีปสองทางชีวิต ทีนี้เรื่องนับถือเนี่ยอนับนี่ก็คือว่าตรวจดูให้ถีถ่วนบางเวลาเขาบอกว่าเราไปรับสตังเขาบอกว่านับเสก่อนให้นับเสก่อนแล้วก็ไม่วามาให้ตรวจดูให้ถีถ่วนว่าถูกต้องไหมเราก็นับนับนี่ก็คือว่าตรวจดูให้ถีถ่วนถือก็คือนํามานํามาปฏิบัติหรือนํามาใช้ประโยชน์ในการนับถือทีนี้สมัยก่อนต้น่ะเขา ไม่ได้นับถือพระรัตนตรยัยตามธรรมเนียมหรือตามครอบครัวหรือตามประเพณีนิยมที่ทำกันมาแต่เขาได้ตรวจ ด, ดูแล้วได้สำรวจแล้วได้พิจารณาแล้วว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นั้นเป็นสิ่งที่ดีจริงแล้วเขาจึงกล่าวคำถึงพระรัตนตรยัยอย่างในพระสูตรต่งตางๆแทบจะทุกสูตรคนที่ มาเฝ้าพระพุทธเจ้าทีแรกก็ไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าไม่ได้นับถือพระธรรมพระสงฆ์คุยกันไปคุยกันไปสนทนากันไปได้ความแจ่มแจ้งแตกฉานในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าใจชัดเจนก็กล่าวคําว่าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสาณะไปตลอดชีวิตขอแสดงตนเป็นอุบาสกนับถือพุทธศาสนา หลังจากที่เขาได้เห็นคุณของพระรัตนตรัยโดยชัดเจนแล้วอไม่ได้นับถือกันตามประเพณีอย่างที่เป็นอยู่ในบ้านเราโดยมากท่านผู้ฟังที่กระลบกับเรื่องนี้ยังต้องคุยกันต่อไปอีกนะครับเสําหรับวันนี้เวลาหมดครับผมก็ขอยุติีด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเพิ่งมีแด่ท่านผู้กระทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่ว ก, กันสวัสดีครับ